เรื่องที่ยี่สิบเรื่องพ่วงที่เจ็ดโลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมายจะแก้ไขไหวหรือบรรยายเมื่อวันที่สิบห้าธันวาคมพุทธศักราช2545้าห้าคุณเจ้าเจ้าในส่วนนี้ เรื่องราวที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเมาจะพูดกันเรื่องของความขัดแย้งอันนี้มันเป็ความที่เกียความต้องกันหรือความต้องการที่ไม่ควงกันวิธีการที่จะทําให้ความขัดแย้งลดลงคิดีต่อกันแล้วก็กลายเป็นการร่วมมือกันคุณจะเริ่มต้นจากจุดที่สือหลักที่อย่างไรก็ขัดแย้งในแง่หนึ่งก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายนะฮะ ก็ต้องขัดแย้งเป็นถ้าขัดแย้งเป็นมันก็มาช่วยกันกระทบแง่ทําให้เกิดแง่คิดแง่มุมเกิดสติปัญญาอะไรใหม่ๆก็ดีเหมือนกันแต่ว่าข้อสําคัญก็คือให้ความขัดแย้งนั้นต้องมาจากเจตนาที่ดีอันนี้อะไรสำคัญถ้าความขัดแย้งนั้นเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศลมุ่งหมายเพื่อความดีงามความเจริญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติเพื่อสังคมของเรานี่ มีความรอกเย็นเป็นสุขแต่ตั้งใจดีแน่นอนอเจตนาเนี่ยมันจะเป็นตัวกำกับทำให้ความขัดแย้งเนี่ยไม่เสียหายแต่นี้ที่เป็นปัญหาก็คือให้ความขัดแย้งถ้ามันเกิดจากเจตนาไม่ดีแล้วมันยุ่งเพราะฉะนั้นในตัวสำคัญก็คือตัวเจตนาและเจตนาก็คือตัวที่เล็งไปที่จุดหมายคนจะมีเจตนาถึงความตั้งใจเนี่ยมันก็มีจุดหมายนั่นเองมีเป้าหมายอะไร แล้วเขาก็ตั้งเจตนาทําไปเพื่อจุดหมายอันนั้นนี้ถ้าเป็นเจตนาเพื่อจุดหมายที่ไม่ดีก็เราก็เรียกว่าเป็นเจตนาที่เป็นอกุศลเมืเ่อไปอกุศลแล้วอะไรต่ออะไรมันก็พลอยไม่ดีไปหมดมันก็ตามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นปัญหามันก็เลยไม่เป็นการขัดแย้งที่สร้างสรรค์ถ้าว่าเป็นการขัดแย้งที่เกิดจากเจตนาที่ดีมันก็นําไปสู่การพูดจาการด้วยสติปัญญาอันนี้ตอนนี้เป็นขั้นวิธีการ เอาละขั้นที่หนึ่งก็คือความขัดแย้งนี้ต้องเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศลนะแล้วพอเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศลดีแล้วต่อมาในทางปฏิบัติตอนนี้วิธีการวิธีการในการขัดแย้งเช่นพูดจะต้องพูดจะอย่างรับผิดชอบคือไม่ใช่พูดตามอารมณ์ด้วยเุ่ยนึกอะไรขึ้นมาก็พูดแต่ว่าพูดโดยความคิดพูดแล้วให้ตรงกับเจตนาที่ดีนั้นนะพูดโดยใช้วาจาสุภาพ าทางาพระเขาเรียกว่าทางาพระนท่านกําหนดสามขั้นเลยคือมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็หมายความว่าให้เป็นาการแสดงออกทางกายจะทําก็ได้เมตตาถือปรารถนาดีทั้งต่อคนนั้นและต่อสังคมทั้งหมดแล้วก็วาจาก็พูดด้วยเจตนาที่ดีมีความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ใจในที่สุดก็คือ เริมันจะใจที่มีเมตตานั่นแหละมองกันพยายามพยายามมองแง่ดีให้เห็นว่าเออเขาอาจจะไม่ได้เจตนาร้ายอะไรนะเราทุกข์ใหพูดจา ก, กันก่อนอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าวันมาจากกระบวนการอย่างนี้นะมันก็มีทิศทางที่จะไปดีได้นะได้สองขั้นแล้วนะคือเจตนาดีมีเป้าหมายที่ดีแล้วก็ใช้วิธีการในเชิงปฏิบัติ ที่ดีเช่นสุภาพเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไอ้วิธีการในการที่จะใช้ความขัดแยง้งเพื่อจะให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์นเนี่ยแต่พอวิชาการสมัยใหม่เขาจะคิดกันมากนะเลยว่าวิธีปฏิบัติเพื่อจะทํายังไงให้การขัดแยง้งแม้แต่ทางความคิดให้กลายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นต้นแล้วก็จะทำให้เกิการสร้างสรรค์เพราะว่าเราเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ที่ใครคนเดียวจะคิดได้มองเห็นหมดทุกอย่างเราอยู่ในสังคมเนี่ยเรารู้จักประเทศไทยได้คนละนิดละหน่อยแต่ว่าไปถึงโลกเลยเนี่ยอย่างวัดยานเวสกาวันเนี่ยทำไมได้รับแต่งตั้งเป็เจ้าว่าจะรู้ไม่ชั่วเลยน <c oughs> นในเมื่อเรารู้ไม่ชั่วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยแล้วก็เอออาจจะมีแง่อะไรอื่นที่คนอื่นเขารู้เราไม่ได้เห็นนแเราก็อยากจะรับฟัง ไอ้นี่ก็คือใจที่มันอยากจะรับฟังอยู่แล้วถ้าเรามีใจที่อยากจะรับฟังเราเป็นนักหาความรู้นี่มันดีอย่างคือเราจะพร้อมที่จะรับความรู้เราอยากจะฟังเขาเนี่ยแทนที่เราจะไปแสดงว่าเรารู้อย่างงั้นนี้บางทีเราเราไปขอความรู้จากเขาเราไปขอให้เขาพูดให้ความรู้แง่มุมต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อมาเติมก็ผลประโยชน์มันก็ได้แก่เรานั่นเองอ่ะนะ ที่เรายอมรับความจริงนี่เราจะไปรู้ได้ยังไงหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราก็เลยเพื่อจะให้ความรู้ของเราเนี่ยเต็มบริบูรณ์ขึ้นเราก็หาทางหาความรู้โดยก็เอาคนอื่นเป็นช่องทางนะฮะเอาคนอื่นเป็นเครื่องมือหาความรู้อาถ้ายังมองนี้กลายไปว่าคนอื่นกลายเป็นเครื่องมือเราใช่ไหมเมื่อกลายเป็นเครื่องมือในการหาความรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องดีคือว่าอันนี้เป็นการพูดคล้ายๆหยอกๆความจริงก็ถือว่าเราให้เกียรติคนอื่นด้วย แต่พร้อมกันนั้นก็คือผลก็ได้แก่เราเราก็ได้ความรู้ยิ่งขึ้นถ้าเรามีจุดหมายในการหาความรู้ให้เต็มสมบูรณ์นเนี่ยเราจะไม่ลงเคียดเน่ยเราก็จะรอรับหาความรู้ของเราเรื่อยไปอันนี้ก็กลายเป็นดีเพราะฉะนั้นทางพ้าเนี่ยท่านดินบอกว่าให้เป็นธรรมกาโมเป็นผู้ใคร่ทำใคร่ทำก็คืออยากได้ความจริงอยากได้ความจริงก็อยากรู้อยากรู้ก็หาความรู้ก็เป็นนักปรึกษานักไครถาม รู้จักแรกเปี่ยนความคิดเห็นเพราะนั้นหลักข้อนี้ท่านให้ไปมากมันคู่กับหลักหนึ่งที่เรียกว่าโสวจัตสตาแปลว่าความเป็นพวกพูดกันง่ายหลักพูดกันง่ายเนี่ยโบราณใช้กันไปใช้กันมากลายเป็นว่านอนสอนง่ายนะของคมไทยเนี่ยพูดกันไปกันมาหลักเนี้ยกลายไปว่านอนสอนง่ายทีนี้ว่านอนสอนง่ายไปไปมาๆก็เลยเชื่อแต่คาสั่งไม่คิดเลยอันนั้นก็เลยไปเรียกว่าเยิงไปข้างเดียวสุดโต่งความจริงนั้น ถ้าแปลตามสับท์เนี่ยก็คือพูดง่ายโสวจัตตตาเนี่ยเป็นสําคัญในสังคมประชาธิปไตยต้องเป็นคนพูดกันง่ายชอบรับฟังพอมีโสวจัตตตาเป็นคนที่พูดกันง่ายแล้วมีธรรมะกามตาความเป็นผู้ไข่ทําอยากรู้อยากเข้าถึงความจริงตอนนี้เราเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าชอบฟังเขาอยู่แล้วเนะแล้วก็อยากหาความรู้ก็เลยชอบซักถามชอบแลกเปลี่ยนความคามิดเห็น มองในแง่ที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเนะี่ยก็จะแก้ไขความขัดแย้งได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งถ้าหลักการนี้มันก็ใช้ในสังคมประชาธิปไตยด้วยสังคมประชาธิปไตยอย่างเรื่องกาแรแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังคนอื่นเนะี่ยแล้วก็ในการรับฟังคนอื่นก็คือเราเนี่ยได้เราก็จะได้หาความรู้ไปด้วย บางคนนี่ชอบฟังอย่างเดียวแต่บางคนที่ชอบฟังนี่มีหลายแบบนะคือบางคนก็ฟังไปอย่างนั้นเองฟังแล้วไม่ได้เรื่องไม่คิดบางคนเขาไม่ค่อยพูดอะไรจริงแต่เขาฟังแล้วเขาคิดตลอดเวลาแล้วเขาได้ประโยชน์จากไอสิ่งที่คนอื่นพูดเนี่ยขณะที่คนคนนั้นพูดนั่นนะเขาได้แง่มุมความคิดใหม่แล้วเขาคิดของเขาไปในขณะที่เขาฟังแล้วเขาคิดอะไรอีกเยอะเลยเขาคิดสิ่งที่คนที่พูดนั้นมาได้คิดได้ซ้ํานะเพราะว่า โอกาสอยู่เขาเป็นคนที่คิดเป็นน่ะเขาคิดเป็นมาต้องหาแง่หาหมุมหาข้อมูลความรู้พ็ได้ข้อมูลใหม่มาทีนี้เขามีข้อมูลได้แงม่มุมที่อีกทีเขาก็คิดเลยใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ในการคิดไปอีกก็เลยดีใหญ่เลยอันนี้ก็ที่เขาได้เพิ่มเนี่ยเขาไม่ใช่ได้คนเดียวนะี่ยเขาได้ทั้งสังคมเพราะเขาลทํางานเพื่อสังคมประเทศชาติอยู่เขาได้สังคมก็ได้ด้วยอั น, นั้นก็เหมือนกับเราวางตัวเหมือนกับเราไม่มีตัวตนอะไรนะ แเราก็ทําไปตามกระบวนการของธรรมชาติเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อยากจะให้มีความรู้ที่เต็มสมบูรณ์เราก็รอรับความรู้เอาความรู้มาเติมแล้วก็เราก็เอามาเป็นข้อมูลความคิดแล้วก็คิดไปคิดไปได้ยังไงก็แสดงความเห็นปฏีการแสดงความเห็นของเรานั้นมันก็อาจจะออกในรูปคําถามเนี่ยการแสดงความเห็นไม่จําเป็นจะต้องไปพูดว่าฉันรู้อย่างนั้นอย่างนี้หรอกพาทีแสดงเป็นคําถามก็ได้ แล้วเป็นคําถามเนี่ยบางทีได้มากกว่านะออกมาเปลี่ยนพลิกความเห็นเป็นคําถามปั๊บแนวะถามและได้ประโยชน์ผานขึ้นอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิควิ ธ, ธีต่างๆ่นะฮะแต่รวมแล้วก็คือจิตใจมันต้งองมี ก, ก่อนก็คือมีความใฝ่รู้อยากรู้แล้วก็เป็นคนที่แสวงปัญญาก็เลยอยากจะย้ําว่าเวลาเนี้ยชงคมไทยเรา เราขาดวัฒนธรรมทางปัญญาหรือจะเรียกเต็มว่าวัฒนธรรมในการแสวงปัญญาถ้าเราจะพูดเป็นเครื่องเปรียบเทียบ เ, เนี่ยมันจะมีว่าเรามีวัฒนธรรมสองอย่างคือวัฒนธรรมแห่งเมตตาเนี่ยความมีน้ําใจความรักความปรารถนาดีช่วยเหลือกันอะไรต่างๆเพือพ่อเผื่อแผ่อันนี้เรียกว่าวัฒนธรรมแห่งเมตตานัุถือกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นต้น นี่อีกด้านหนึ่งก็คือวัฒนธรรมแห่งปัญญาหรือวัฒนธรรมการแสวแงปัญญาท้องนไทยของเราเนี่ยพื้นเพภูมิหลังของเราดีในด้านวัฒนธรรมแห่งปัญญาให้ขอใบวัฒนธรรมแห่งเมตตาแต่เราค่อนข้างขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญาเราไม่ชอบค้นหาความรู้เนะี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้อย่างห้องสมุดแทนที่จะไปอ่านค้นคว้าสำหรับตำราไม่อ่านหนะังสือบันเทิงตสนิทเนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงแล้วเนะี่ย นังสือประเภทที่เป็นหลักต้องใช้ความคิดต้องอา่านเพื่อหาความรู้จริงๆเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อในสังคมไทยชอบหนังสืออ่านเล่นสนุกสนานบันเทิงใช่หรือเปล่าเนี่อันนี้มันก็เป็นเครื่องฟ้องสังคมไทยของเราเนี่ยขาดวัฒนธรรมในการแสดงปัญญาอันนี้เราไปดูสังคมฝรั่งอันนี้เราอยู่ในโลกเราก็ลองเทียบดูสังคมฝรั่งอย่างอเมริกันเนี่ยเอาง่ายๆเป็นสังคมที่เด่น ก็จะด้อยทางด้านวัฒนธรรมเมตตาคือจะเป็นสังคมตัวใครตัวมันเป็นสังคมการแข่งขันแนย่งชิงอะไระต่างๆเหล่าเนี้ยขาถือว่าต้องแย่งชิงต้องแข่งขันแล้วมันจะเก่งใช่ไหมาการแข่งขันมันก็ดําเนินไปได้ น, นี้ก็ทําให้ด้อยทางด้านวัฒนธรรมเมตตาแต่ว่าเขาดีทางด้านวัฒนธรรม่งปัญญาหรือการแสวแงปัญญาเพราะว่าเขาถูกบีบคั้นมามาก แม้แต่ว่าการเป็นอยู่ที่ตัวใครตัวมันเนี่ยทําให้ต้องดิ้นรนหาทางรอดการดิ้นรนหาทางรอดมันก็ต้องคิดแก้ปัญหาคิดแก้ปัญหาก็ต้องหาความรู้ต้องพัฒนาปัญญาต้องรู้จักคิดสถานการณ์สภาพแวดลอ้อมวิถีชีวิตเนี่ยมันบีบบังคับให้ฝรั่งต้องหาความรู้ได้ต้องคิดมากเขาก็เลยพัฒนาในด้านวัฒนธรรมแห่งการแสวแงปัญญาแต่ว่าเขาด้อยทางวัฒนธรรมแห่งเมตตาทีนี้เขาเรานี่ เราช่วเหลือเอื้อเฟื้อกันดีเราต้องคอยเตือนอยู่เสมอว่าคุณนะอยู่สบายมันจะประมาทอันนี้ถ้าเราอยู่กันสบายช่วเหลือเอเฟื้อกันดีเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยทุบร้อนไม่มีระไรดิ้นขันเราก็ไม่ดิ้นหลนเมื่อไม่ดิ้นหลน่นการหาความรู้การหาทางคิดแก้ปัญหามันก็ด้อยลงไปนั่นสังคมเราเราก็เลยมีจุดอ่อนที่ว่าด้อยทางวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญา นี่เรามาอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราได้รับอิทธิพลโลกาภิวัตอย่างที่เขาเรียกกันเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายที่ถูกครอบงาบ้างหรือเป็นฝ่ายตามบ้างเป็นฝ่ายรับบ้างแทนที่จะเป็นฝ่ายนำเขาในเมื่อเป็นฝ่ายรับเป็นถูกครอบงาําหรือได้รับอิทธิพลเนี่ยมันกลายไปว่าวัฒนธรรมของเราที่มีส่วนดีอยู่บ้างอันนั้นก็จะค่อยๆหดหายไปเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเมตตาของเราเนี่ย กำลังสูญเสียกำลังเสื่อมลงขอให้ดูแต่คนเดี๋นี้ไม่ค่อยมีเมตตาแต่จันน้องใจปรัชนาดีเพื่อเพื่อแพ่กระลดน้อยลงไปยิ่งในเมืองยิ่งในกรุงก็เป็นว่าชาวบ้านนอกกับพอยเป็นไปตามตอนนี้ก็ชักแยกกันไปกันหมดแหละนี้ต่อไปก็จะเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมันความเป็นพี่เป็นน้องอะไรต่ออะไรลุงป้านาอาก็ไม่ค่อยเที่ยวกันแล้วเดีเนี้นะเพราต่ก่อนี้ผู้หญิงพ่อปู่ชายผู้ชายพ่อปู่หญิงก็เทียกกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอา มองกันเป็นญาติใบตาทัศนคติมันก็ดีสิแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้ไม่มองอย่างนั้นแล้วมองแต่ในเรื่องเพศตรงข้ามอย่างเดียวมันก็ทําให้เกิดปัญหาทนั้นก็วัฒนธรรม เ, เมตตาเขาเรากําลังจะเสื่อมสูญเสีย <S <S พร้อมกันนั้นวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาเราก็ไม่ค่อยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเสียทั้งสองเลยเ น, นี่ย นี้ในขณะที่สว่างเขาวัฒนธรรมเมตตาเขาด้อยจริงแต่วัฒนธรรมการแสวงปัญญาเขายังอยู่เขายัางเป็นผู้นําอยู่เพะนั้นเขายัางดีกว่เราดังนั้นไทยเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวหนึ่งก็ต้องรักษาวัฒนธรรมแห่งเมตตาไว้แล้วสองก็ต้องพัฒนาวัฒนธรรมการแสวงปัญญาแล้วถ้าเราจะรักษาพุทธศาสนาไว้ไม่มีทางเลี่ยงเพราะพุทธศ า, ศาสนาศาสอนให้ปัญญามันก็น่าแปลกใจมากคือว่า พุทธศาสนานนเน้นปัญญาแต่คนไทยกลับขาดวัฒนธรรมในการแสวงปัญญาก็ต้องถามว่าเป็นไปได้อย่างไร <c oughs> ทําไมคนไทยนับถือพุทธศาสนาศาสนาแห่งปัญญาแต่กลับไม่มีวัฒนธรรมในการแสวงปัญญาที่จริงคนพุทธเนี่ยจะต้องเป็นนักแสวงหาปัญญาต้องมีความใฝ่รู้อย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องมีธรรมกายมาตาความใข่ทำอยากจะรู้อยากจะเข้าถึงความจริง อะไรมันจริงอะไรมันถูกต้องอะไรดีงามต้องคิดต้องค้นต้องหากาันจนกระทั่งให้ถึงตัวแก่นตัวจริงให้ได้แล้วก็มีลักษณะที่จะต้องให้เกิดความรู้อย่างที่คุณจิลารัฐว่าเมื่อกี้ต้องเกิดสมา ธ, ธิการที่เกิดสมาธิเิงก็ต้องหาความรู้เมื่อไม่รู้มันจะมีความเข้าใจความเห็นถูกต้องได้อย่างไรความเห็นถูกต้องอย่างที่บอกแล้วมันต้องมาจากความรู้ แล้วก็ต่อนั้นก็ความคิดเนี่ยต่อความรู้ถูกต้องชัดเจนก็คิดบนฐายความรู้ที่ชัดเจนถูกต้องมันก็มีทางที่จะถูกต้องเมื่อคิดถูกต้องได้ผลของความคิดก็เป็นผลิตผลแห่งความรู้และภาพคิดมันก็เป็นผลิตผลแห่งปัญญาที่แท้จริงมันก็เกิดเป็นสมวิชชิเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สังคมไทยเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาวัฒนธรรมการสวย่งปัญญา ซึ่งเป็นหลักการของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่สมาธิไม่ได้เลยตามเน่ยเลยพอดก็เลยพูดไปจเยอะไม่ทราบรมสุดหรือเปล่าจะก็จะช่วยช่วยเน้นคําถาบอีกทีในส่วนนี้จากความที่ท่านเจ้าคุณได้ได้เมตตาใอย่างคิดทุกที่ว่ายกตัวอย่างเรื่องของปัญหาซึ่งซึ่งคิดว่เป็นความแย้งเลยพอดหลักประการที่หนึ่งซึ่งเอาไปปฏิบัติก็คือว่า อย่าให้บุคคลผู้ขัดแย้งเนี่ยเป็นผู้ขัดแยงเสเองแต่เอาปัญหาเนี่ยเป็นเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยกา ร, ารากำจัดปัญหา แล้วก็เปลี่ยนความแย้งให้ไปเป็นความร่วมมือในการใช้ปัญญาแล้วก็ทีนี้จะยังมีอีกสองคำจู่ค่ะซึ่งมักจกเอาไปใช้กใจโดยเู้าใจไม่ครบถ้วนหรืออะไรก็ไม่ทราบเช่นพอกลายเป็นความร่วมมือก็จะเป็นความร่วมมืออย่างที่เรียกว่าประดประนอมหรือตัวไม้ที่ท่านชุกเคยในกาให้แนวคิดก็จะต้องแตกต่ายคําว่าหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวซึ่งน่จะดีกว่าแต่คนก็คว่ามันเหมือนกันก็เลยกลายเป็น การแก้ไขความขัแย้งยังไม่เบ็ดสร็จสมบูรณ์ะะของเมื่อารทังชี้แนะทึ้งสองแนวที่ทเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอารยธรรมด้วยอารยธรรมตะวันตกนั้นชํนานาญในเรื่องของโปรไม้ก็คือการกรณีนอนการกรณีก็นอนนั้นมีความหมายว่าแต่ละฝ่ายยอมลดความต้องการของตัวเองเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างก็ได้แต่ว่าพร้อมกันนั้นต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบ้าง หมายความว่าเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายในอยู่กันได้หรือต่างก็ได้กันบ้างทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบ้างเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าประนีประนอมก็สือคอมพลีมไพร์ทีนี้อีกวิธีการหนึ่งเขาเรียกว่าฮาร์โมนีฮาร์โมนีนี่ก็ต้องฮาร์โมไนซ์ถ้ฮาร์โมไนซ์ก็คือการที่จะต้องประสานกลมกลืนกลมกลืนก็หมายความว่ามันไม่มีความขัดแยง้งเมื่อมีความขัดแย้งต่างๆก็จัดเป็นกระทั่งลงตัว ลงตัวก็คือว่ามันเข้ากันได้ด้วยดีทุกอย่างประสานกลมกืนองค์ร่วมต่างๆนี่มาอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเขามันมีความสัมพันธ์ถูกต้องแล้วก็ทําหน้าที่ถูกต้องต่อกันตรงต่อประสานกันได้ดีเหมือนอย่างกาองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของเครื่องยนต์กลไกต่างๆอย่างรถยนต์เป็นต้นเนี่ยถ้าหากว่ามันไปคอมโบรไมิสกันแล้วก็แย่แน่เลยรถยนต์ไปไม่รอดนะ นะรถยนต์เนี่จะเดินไปได้ดีต้องฮาร์โมนีนะคณะส่วนประกอบต่างๆมันจะต้องอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะถูกต้องของมันทําหน้าที่ของมันถูกต้องส่งต่อการประสานกันได้ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าฮาร์โมนีเกิดความกลมกลืนและรถยนต์นก็จะดีเลยวิ่งได้เรียกว่าอย่างที่เรียกว่ามีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งรถคันไหนทําได้มีฮาร์โมนีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแล้วก็จะมั่นคงจะแข็งแรง นี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็คือว่ามันไม่สามารถจะมาถึงจุดฮาร์โมนีมันก็ได้แค่คอมพรมีาามายเพราะคอมพรไมายมันก็ขาดตกบกพร่องเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าคอมพลไมายก็คือการที่ต่างฝ่ายต่างต้องลดความต้องการของตัวเองเพื่อตัวเองจะได้บ้างมิฉะนั้นแล้วเช่นว่าอาจจะต้องรบกันเมื่อรบกันแล้วก็อาจจะพินาศทั้งสองฝ่ายไม่ได้โดยกันทั้งสองฝ่ายหอีกฝ่ายหนึ่งชนะได้ฝ่ายเดียวเลย อันนั้นก็นเรียกว่าเป็นวิถีของการที่ขัดแย้งก็คอนฟ lict อันนี้ก็ไม่ต้องการคอนฟ lict ได้อย่างที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นของตัวไม้ก็คือก็อมีกันหนอแต่ถ้าจะแก้ให้ได้ ส, สมบูรณ์ก็ต้องเป็นฮาร์โมนีก็คือประสานกลมกลืนนี่ในตาพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ว่าไปตามความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเนี่ย มันจะต้องประสานกลมกลืนโดยมีองค์ร่วมที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำหน้าที่ถูกต้องและมาเชื่อมมายโยงมาส่งทอดต่อกันอย่างดีแล้วทุกอย่างมันก็เดินไปได้ดีเหมือนเฟืองทั้งทางเฟืองทั้งหลายเฟืองเล็กเฟืองนอ้อยเฟืองใหญ่ที่มันเข้ากันก็เป็นฮาร์โมนีไป เ, เพราะฉะนั้นปัญหาโลกปัจจุบันเนี่ยก็คือว่ามันยังไม่ถึงกฎธรรมชาติก็คือยังไม่ถึงธรรมมันไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริง มันก็ได้แค่กติกาของมนุษย์ที่ว่าเอาแค่คอมพรไมา์กันก่อนเรื่องคอมพรไมา์นี่ก็ขึ้นต่อกติกาของมนุษย์ว่าจะตปนนี้ประนองกันยังไงเพื่อจะให้พออยู่กันได้แต่ก็ฮึมฮึมก็อยู่เรื่อยไป <c oughs> <c oughs> ใจใจในใจแท้ๆก็ไม่ยอมกินใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าข้างนอกก็ต้องยอมเพราะว่าขืนทําอะไรไปมันก็อยู่ดีไม่ได้คือตัวเองก็ไม่มีความสุขแต่ว่าจะให้สุขสมบูรณ์ก็ไม่ได้ ก็เลยก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยเวลานี้ทุกอย่างของโลกปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระบบขอบตัวไม้ไม่ใช่ขอบตัวไม้ในระบุมนุษย์เราโดยการท่นั น, นนะในระหว่างสังคมเนี่ยยังงขอบตัวไม้กับธรรมชาติด้วยเนี่ยเวลาเนี้ยเรากําลังขอบตัวไม้กับธรรมชาติว่าเออมนุษย์เราก็ถือว่าเราจะมีความสุขสมบูรณ์ต่อเมื่อได้เสพบริโภคเต็มที่เราจะบริโภคเต็มที่ให้เจ้า ธรรมชาติก็ต้องมาเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานสังกัดเพื่เต็มที่ mm. ใช่ไหมทีนี้ป่าปเปลือก็จะหมดเนี่ย mm. นี่ถ้าป่าหมดธรรมชาติหมดเราก็เดือดร้อนเราก็บอกว่าต้องรักษา ป, ป่าไว้แต่รักษา ป, ป่าไว้เราก็ไม่มีเศษบริโภคเต็มที่เราก็ได้ผลประโยชน์เต็มที่เขาก็เลยวางจริยธรรมแห่งสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเรียกว่า environment ท่านเอ๊ซที่เป็นวัตอ้อาการยธรรมทางการตอนนี้ตอนนองกับธรรมชาติจะหมายความว่า มนุษย์จะเอาแต่ใจตัวเองให้บริโภคได้สุขสมบูรณ์นั้นเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรีสเ rain บ้างรีสเตรนตก็คือต้องยอมยับยั้งตัวเองบ้างต้องยอมบังคับใจตัวเองยอมอดบ้างนะก็คือเพื่อให้ได้ความสุขบ้างเท่าที่ธรรมชาติมันจะไม่พินาศก็เอาแค่นั้นนะแต่ว่าจะมีความสุขเต็มที่ไม่ได้ถ้ามีความสุขเต็มที่ธรรมชาติไม่อยู่พินาศไปมันก็ส่งผลกลับมาตัวเองก็อยู่ไม่ได้ ก็เลยเป็นระบบขอบโปรไม้เวลาเนี้ยเราอยู่กันในระบบขอบโปรไม้เพราะเราไม่สามารถจะมีแม้แต่จริยธรรมในการประษากลมกลืนแต่จริยธรรมของการประนีประนอมหรือขอบโปรไม์เนี่ยมันเป็นจริยธรรมการสูนใจเพราะคนที่จะประนีประนอ ม, ม, นนนนอ ม, มนก็ต้องสูนใจมันไม่ได้เต็มตามความต้องการมันก็สูนใจว่าเอาละเราเพื่อจะได้อยู่ได้บ้างเราต้องยอมเสียบ้างหรือได้ไม่เต็มตามต้องการ มันก็ฝืนใจตลอดเวลาจริยธรรมปฏิบัติเป็นแบบเนี้ยก็คือว่ามนุษย์แต่ละคนนี่อยากได้อยากเสียดอยากมีเต็มที่เลยแต่ถ้าทําอย่างนั้นแล้วมันก็ขัดแยง้งกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์เขาก็จะไม่ยอมเดี๋ยวก็จะตีกันหรือไม่งั้นก็สังคมก็จะเดือดร้อนเบียดเบียนก็เล ย, เ ย, เยต้องยอมก็เป็นจริยธรรมการประนีประนอมกับสังคมก็คือยอมให้คนอื่นอยู่ได้ฉันก็ต้องยอม ไม่ทําตามใจอยากเขาตัวเองแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าธรรมชาติอีกนี่จริยธรรมแบบนี้เป็นจริยธรรมตะวันตกว่ากันง่ายๆจริยธรรมธรมพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้มองกันเราไปมองได้สายตาแบบวัฒนธรรมตะวันตกเสนอว่าจริยธรรมก็เหมือนกันแหละที่จริงไม่เหมือนเลยจริยธรรมธรรมพุทธศาสนาเป็นจริยธรรมความสุขจริยธรรมเป็นความสุขก็หมายความว่าคนเรานี่พอปฏิบัติธรรม ทำถูกต้องทำดีขึ้นแล้วมันจะต้องมีปิติปลาโมทแหละนะพอปีติปลาโมทมามันก็เริ่มมีความสุขแล้วใช่ไหมนะี่เพราะนั้นลักษณะที่ท่านบอกว่าจิตสมาธิเริ่มได้ธรรมสมาธิจิตสมาธิก็สมาธิความตั้งแน่วของจิตก่อนที่จะมีจิตสมาธิหลายประสูตก็จะกัดถึงธรรมสมาธิธรร ม, มต้องแน่วก่อนนะีความตั้งแน่วแห่งธรรม พอทรวะที่เป็นองค์ประกอบตั้งแนวปัจจิตก็ตั้งแนวด้วยเ <Yeah. S 1> นี่ยทีนี้ทรวรมัสมาธินะันมีอะไรบ้างฉัานบอกมีห้าข้อหนึ่งปราโมทเนี่ยเราและเริ่มแล้วปราโมทก็คือความร่าเริงเบิกบานใจเนี่ยคนต้องมีสองปีติความอิ่มใจคลื่นใจสามปัสจุความสงบเย็นผ่อนคลายไม่เครียดสี่ความสุขแล้วก็ห้าสมาธ พอได้ห้าอย่างนี้ก็ถึงตัวสมาธิพดีก็ได้จิตสมาธินั้นจิตสมาธิก็คู่กับธรรมสมาธิธรรมสมาธิก็มีห้าข้อนี้พระเจ้าเน้นเสมอเพราะนักชาพุทธเนี่ยจะต้องทําจิตใจตัวเองให้มีองค์ประกอบห้าประการนี้อยู่เสมอหนึ่งปราโมทความร่าเริงเบดบานใจสองปิติความอิ่มใจสุนใจนะอย่างคุณแม่เห็นลูกเรียนหนังสือได้ดีก็ปลื้มใจมีปิติด้วยนะ โลกเรียนหนังสื อ, อเห็นคุณแม่สบายใจมีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยเนี่ยอย่างนี้เค ร, รับเลยว่ามีปีติดสุขก็เป็นปีติดสุขที่เราสร้างขึ้นได้ในชีวิตที่ดีงามแล้วก็มีตัดสิทธิที่ว่าสงบเรียนผ่อนคลายไม่เครียดสมัยนี้ดูสิโลกแห่งการเป็นมีประนอม แ, แต่เต็มไปด้วยความเครียดใช่ไหมเพราะว่าจิตมันไม่ยอมนี่มันไม่ฮามอนนี่มันก็ฝืนใจตัวเองฝืนใจไปขอบถล่มไม้กับเขาให้ตัวเองก็เครียดอย่นี้แหละหเพราะฉะนั้นก็ต้อง ถ้าไอ้ตัวธรรมะสมาธิห้าขึ้นมาเนี่ยถ้าได้แล้วสบายคนไทยคนพุทธนี่ทําความดีอะไรเนี่ยมาทําอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเองก็พลื้มใจมีความสุขอย่างคุณแม่เห็นลูกมีความสุขหให้กับลูกตัวเองไม่เห็นเสดายเลยลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยทีนี้ถ้าลูกรักแม่ก็เหมือนกันลูกก็อยากทําอะไรให้แม่พอทําอะไรให้แม่ได้แม่มีความสุขได้ลูกก็สุขด้วยใช่ไหม มันก็เป็นอย่างเนี้เคยว่าคนเราก็พัฒนาไปพัฒนาในการกระทํามจะทาอะไรทําสิ่งที่ดีงามขึ้นมาได้สําเร็จหรือทําก้าวหน้าไปก็มีความอิ่มใจมีความสุขทําได้ใจรักมันก็มีความร่าเริงเบิกบานใจอันนี้จริยธรรมแบบเนี้ต้องเอามาใช้เป็นจริยธรรมที่แท้เป็นจริยธรรมที่เป็นไปนตามธรรมชาติไม่ใช่จริยธรรมแบบบทบัญญตัติที่มันกลายเป็ น, นครอบงคขับฝืนใจกัน เรลงว่าเราจะต้องมา reengineering กันตอนนี้ศัพท์นี้ฉันจะลืมกันไปแล้วใช่ไหมเมือ่อสักหกเจปีก่อนในพูดกันรืกเกินนะคนไทยนี่ลืมง่ายเนะี่ยตอนนั้นตื่กนะันะั่หนาว reengineering อ่าต้องรื้อปรับระบบกันใหม่ตอนนี้ต้องรื้อปรับระบบจริยธรรมกันใหม่เลยจริยธรรมที่มันชาติไปเนี่ยกลายเป็นจริยธรรมเป็นความทุกข์จริยธรรมเป็นความฝืนใจต้องมาปรับระบบใหม่เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เป็นจริยธรรมแห่งความสุขจริยธรรมที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะสังคมไทยเราคือเป็นสังคมที่เขวสับสนไปนานและลืมไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ตัวเองก่อนแล้วจริงไม่รู้จักเนะีเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงพื้นเพภูมิหลังวัฒนธรรมเป็นยังไงแม้แต่มองพุทธศาสนาก็มองด้วยความไม่เข้าใจ อันนี้ในการที่จะมาอยู่ร่วมกันจะให้เกิดความประสานกลมกลืนเนี่ยมันมีอันหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ต้องใช้ไอวิธีที่เป็นเลขกลนเวลาเนี้ยนะวิธีแม้แต่จิตวิทยาตอนจบเนี่ยมันเป็นแบบเลขกลนใช่ไหมคือเพื่อจะให้ได้อะไรทุกอย่างหนึ่งก็ไปทํามาตมาก็เคยพูดบ่อยๆเช่นอย่างเขาสอนจะให้ยิ้มให้ยิ้มแบบตะวันตกก็คือยิ้มร่วมกับเต่าใช่ไหม คือว่าไม่ได้ยิ้มในเจตนาดีไม่ได้มีมายาจิตวิตรภาพหรอกไอ้ยิ้มนี่ก็เพื่อให้คนชอบนะเป็นลูกค้าเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้เงินเขาจะได้ซื้อสินค้าใช่ไหมแล้วจบแล้วที่จริงใจยิจ้มใจรจริงยิ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยนในทางพุทธศาสนาเราให้มีเมตตาก็คือยิม้มในใจจริงยิ้มได้ปรารถนาดีต่อเขาอยากให้เขามีความสุขไม่ใช่ยิ้มจะเอาเ น, นีนีจิ ต, ตวิญญาตอนตกเนี่ย ดูทีเรามาใช้เองกันทำพูดดูว่าคนนี้จิตวิทยานี่ว่าไงเนะพราะพวกว่าคนนี้จิตวิทยานี่หมายความเมืองไหก็หมายความว่าไม่สื่ออะไรใช่ไหมคือว่าทําโดยที่เป็นวิธีการหรือเป็นอุบายอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวคิดที่ยังเน้นผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าแตแนวคิดตอนตกนี่แน่นอนเลยเป็นวิธีคิดที่เน้นเรื่องผลประโยชน์ของตัวนะครับ เพระนั้นเขาจะต้องพิทักษผลประโยชน์ตัวเองและพิทักษสิเพราะนั้นสังคมตอนตจกจะเน้นเรื่องสิทธิมากเพราะนั้นการมีสิทธิมนุษยชนอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องระวังอย่สุดโต่งที่จริงมันจําเป็นเหมือนกันจําเป็นแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่รักษาสิทธิ์มนุษย์เราเนี่เป็นสัตว์ประเสริฐกว่านั้นก็คือเหนือความเป็นผู้รักษาสิทธิ์ปกป้องตัวเองก็คือเป็นผู้ที่เผื่อแผ่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นด้วย เมื่ออะไรพ่อแม่เอาประสิทธิ์รักษาสิธิ์กับลูกกันลูกใหย่แ น, น่ใช่ไหมลองคุณแม่ดิคุณแม่อยู่กับลูกอ่ละจะตั้งพิทักษ์ศิษย์ของกันละกันล้ยุ่งเลยใช่ไหมในครอบครัวเนี่ยนี่คุณแม่ไม่ได้คิดจะป้องกันรักษาพิทักษ์ศิษย์แล้วตัวเองเนี่อะไรจะทําให้ลูกมีความสุขได้ก็ทําไปใช่หรือเปล่าถ้า ล, ลูกก็มีความสุขและความตราึ่งมีน้ําใจมันก็เกิดขึ้น นี่เรามาอยู่ในระบบไอพิทักษิตเนี่ยต่อไปมันจะลําบากนั่นจะต้องรู้เท่าทานฝรั่งฝรั่งมีอะไรดีคือฝรั่งเขามีประสบการณ์ภูมิหลังของสังคมนี่เขาดิ้นรนต่อสู้มากเขาก็ต้องพัฒนาระบบพิทักษิตที่คือการไม่ให้ฝ่ายอื่นมาละโมดต่อตนเองอันนี้ก็เป็นธรรมดาเขาก็เลยเป็นสังคมเป็นกติกาจะกระทั่งเป็นสังคมดรูนอปลอเราก็พูดกันมากใช่มไหมดรูนอปลอสังคมแย่งนี้ติดทำเลยต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ดี ในสังคมไทยเราไม่มีพื้นเพภูมิหลังไม่รู้จักจัดให้ปรับเอากติกาบังคับไว้ได้จนถึนเลยเป็นสังคมที่แย่ที่สุดในเรื่องกติกาเรื่องกฎรักษาไม่ได้แล้วเขาตัวเองก็ไม่รู้ภูมิหลังขาตัวเองก็พัฒนาไม่เป็นนะก็จะไปจิบเอาไอ้รูนอบรองเขาเขามาแล้วจะไปเอาอย่างคนหลังไอ้พื้นเพภูมิหลังตัวเองมันก็ไม่เป็นนั้นต้องจัดให้เหมาะกับสังคมตัวเองจะไปเอาอย่างจากคนหลังจะให้รู้ทันคนหลัง รู้เท่าทันว่าฝ ร, รังเจริญมายังไงเขาดิ้นรนต่อสู้มาอเมริกาในขึ้นปังที่ทางด้านอะไรนิวอิงแลนดใช่ไหมฮิมัทแล้วก็ขึ้นบอสตันนิวยอร์กบัติมอลเนี่ยขึ้นมาแล้วก็บุกหน้าไปฝ่าฟันฟรอนเทียสามร้อยปีได้เฉลีย่ยปีละสิบใหม่สามร้อยปีจงจบถึงมหาสมุทรแปดสิบสิกธะสามร้อยปีเขาบอกเขาเฉลีย่ยปีละสิบใหม่เนเขาบุกไป พอจบแล้วนี่เขาได้นิสัยใจคอบลูกฝังไว้มากมายเลยสามรอยปีเนี uh ่ยก็คือเป็นนักบุกฝ่าไป็นธรนมดาเป็นนักขจรภัยนะีแต่อายพร้อมกันนั้นมันก็เป็นการที่ถ้มองไม่ดีก็รุกรานด้วยนะในระหว่างนี้เขาก็ไปเอาดีที่ดินเดินแดงอินเดียนแดงจ น, น, นแทบจะสูญพันะ 5, ไปเลยเนะีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เข้าใจเท่าทัานฝลังเขาดินรนต่อสู้ ตั้งแต่ยุโรปแล้วที่เขามาอเมริกากขาพอนีมาใช่ไหมหนีภัยมาเมื่องงั้นไม่ดันด้นะจนภัยฝ่ า, าความทุกข์ยากในมหาสมุทรแอตแลนติกมาหรอกเนี่ยพอหนีภยัยถ้าอยู่บ้านตายแน่เสี่ยงข้ามทะเลไปยังมีทางรอดบงังแนวปรหลังพวกนี้ก็ถูกกำจัดถูกบีดขั้นในยุโรปมา เป็นร้อยปีเป็นพันพันปีแล้วหนีมาอเมริกาหนีมาอเมริกาก็บุกต่ออีกสามร้อยปีเนี่ยการทิ้นรนต่อสู้ทําให้เขาต้องพัฒนาลนาักษณะจิตใจแบบพิทักษ์ปกป้องตัวเองปกป้องสิทธิของตนเองก ด, กดกฎกติกามากมายเป็นสังคมที่อยู่ด้วยดูรู้รอบรอยอย่างที่ว่านีสังคมของเราเนี่เป็นสังคมในน้ามีปลาในนามีข้าวอันนี้สําคัญมากคนไทยไม่ค่อยคิด สังคมฝรั่งทั้งอเมริกันเขาเรียกว่าสังคมฟรอนเทียสังคมฟรอนเทียนี่สังคมบุกป่าพรมแดนหมายความว่าฝรั่งในพอขึ้นมาฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกปับ๊บมองไปนั่นคือฟรอนเทียเป็นเขตพรมแดนที่ตัวยังไม่ได้ไปเท่านั้นเลยถูกจํากัดด้วยฟรอนเทียทําไงความหวังก็อยู่ที่ว่าจะต้องบุกไปป่าฟรอนเทียนี้ไปได้ก็จะมีได้ทรัพยากรได้ที่อยู่อะไรต่างๆ มีความหวังในความดำรงสมบูรณ์ก็ต้องบุกไปบุกไปข้างหน้าบุกปอนเทียก็ขยายปอนเทียไปเพระฉะนั้นนิสัยฝรั่งเขาเรียกว่านิสัยปอนเทียนิสัยปอนเทียก็คือนิสัยบุกป่าไปข้างหน้าความหวังอยู่ที่อนาคตและดินแดนไกลโพ้นเขาเรียกว่าโกเวส <c oughs> <c oughs> ไปตะวันตกเพราะฉะนั้นฝรั่งอเมริกันนี่เขาเรียกว่าโกเวสสมัยหนึ่งเขามีคำ ว, ว่าโกเวสยังแม่เจ้าหนุม่มจงมุ่งตะวันตกกพงั้นแหละ แล้วต้องผจญภัยไปตอนตกก็จะทั้งไปถึงแคลิฟอร์เนีที่ว่าเนี่ยเนี่ยนี่ือถือว่าภูมิหลังของสังคมตอนตกบุกฝ่าแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้พัฒนากฎกฎติกามาเพื่อไให้ล้ําเส้นกันนะฮนี่สังคมของเราเนี่เป็นสังคมอยู่กับที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่นี่ดีแล้วจะไปไหนเหลออยเพวกกันใช่ไหมเพราะนั้นมาตรงกันข้ามเนี่ยสังคมไทยฝรั่งเนี่ยดูแค่นี้ก็ดูออกแล้วให้ จับไว้เลยว่าสังคมอเมริกันคือสังคมฟอนเทียตับนี้เป็นสับสำคัญของอเมริกันอเมริกันจะทำอะไรต้องพูดกับฟอนเทียเท่านั้นนะครับแต่ก่อนนี้เขาเรียกว่าฟอนเทียออฟแลนฟอนเทียออฟเดซีฟอนเทียออฟสเปเนี่ยบุกไปในอวกาศเนี่ยที่แคเนดีส่งไออะไรยานอวกาศอะไ ร, ะ ไ, รไปเนี่ยปโลหัวใจเขาเรียกว่าบุกเบิกฟอนเทียนั้นนป็นนเทียออฟสเป แม้แต่วิชาการต่างๆเขาก็เรียก่ฟอนเทียนะอนเทียซับไซน์นะเป็นในพวกฟอนเทียหรือพรมแดนแวิทยายารแล้วก็มาฟอนเทียออฟไซเบอร์สเปซเวลานี้ฟอนเทียออฟไซเบอร์สเปซคืออะไรก็คือเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยก็วเวลานี้เรากำลังอยู่ในระยะที่พลังบุกเบิร์อนเทียออฟไซเบอร์สเปซพลังบุกเบิร์และไทยบุกเบิร์ดรู้ไหม ไทยไม่บุกเบิกเลยรอรับผลการบุกเบิกอย่างเดียวนะแล้วจะไปรอดยังไงล่ะนะเพราะฉะนั้นนิสัยจิตใจพื้นฐานมันคนละแบบแล้วเราไม่ดูตัวเองอย่าเอาฝรั่งก็เอาไม่ได้จริงเอาพื้นพื้นผิวผิวฉับฉวยไปเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องการู้จักตัวเองให้ดีแล้วก็รู้จักเขาให้ชัดนะต้องศึกษาฝรั่งเลยภูมิหลังเขามายังไงในยุโรปละมาอเมริกาแล้วทําไงพัฒนาก้าวหน้ากันมายังไง อย่างนี้จึงจะไปได้อย่างคอนเทียเนี่ยประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยที่มีชื่อเสียงว่าตอนที่แกจะหาเสียงประธานาธิบดีเนี่ยตอนนั้นอเมริการก็จบคอนเทลเปไ็นนานแล้วคอนเทลแอฟแลนด์เนี่ยจบไปตั้งแต่อะไรเขาปี1890เนี่ย1890นี่มันเท่าไหร่นี่หนึ่งพันนี่มันสองพันจะขึ้นสองพันสามแล้วสองพันสามหนึ่งแปดเก้าศูนย์ก็เท่าไหรล่ละร้อยกว่าปี อ่ร้อยสิบกว่าปีเนี่ยปรลังเขาจบฟรอนเทียไปตั้งร้อยกว่าปีแล้วทีนี้มันก็ยังติดใจในเขาฟรอนเทียอยู่แต่ไอ้ฟรอนเทียที่จะบุกป่าในที่ถืนแผ่นดินเนี่ยมันจบไปแล้วเคนเน ด, ดีก็สร้างนิวฟรอนเทียขึ้นมาเน่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวคำขวัญของเคนเน ด, ดีนโยบายที่ก่ตั้งขึ้นมาในการหาเสียงเขาเรียกว่า New ier นิวฟรอนเทีย เจดีขึ้นมาได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ในนโยบายนิวคอนเทียนี้ก็ปลุกฟาพรมแดงทรงพิสคอร์วันเทียมาแน่อาส า, า, าสมัครหน่วยสันติภาพเคยได้ยินไเไหยเหลยเนี่ยมาตอนนั้นแหละเนี่ยพิสคอร์วันเทียนี้ก็เกิดขึ้นในนโยบายคอนเทียหรือนิวคอนเทียของอเมริกาของเจเนดีเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตใจของฝรั่งอเมริกันเนี่ย ความเทียมันฝังลึกมากฉะนั้นจะปลุกใจอเมริกันเขาก็ปลุกใจด้วยความเทียเนี่ยมีคนหาเสียงเป็นประธานาธิบดีอเมริกันสามคนที่ใช้คําว่า New ความเทียนียจะสร้างความเทียใหม่ให้แก่คนอเมริกันฉะนั้นเวลานี้เขาก็บุกเบิกอย่างที่บอกเมื่อกี้ความเทียมไซเบอร์สเปซเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดเลยเราก็ในน้ํา ม, มีปลาในน้ำ ม, มีข้าวอยู่นี่และเนะ นี่เราจะทํายังไงให้มันเหมาะกันในน้ำมีปลาในนามีข้าวต้องพัฒนาระบบวิธีการอะไรเท่าไรของตัวเองให้มันเหมาะกับเขาตัวเองไอระบบตอนเทิงเข า, าอาจจะเข้ากับเราไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่คนไทยเราไม่ค่อยศึกษาขอภัยนะไม่ค่อยค้นคว้าไม่รู้จักพลังจริงอะต้องพูดตรงๆเนี่ยนะ ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเอาฐานอะไรมาเพื่อจะมารับมือกับไอ้ความจเจริญใหม่ๆแล้วมันจัดการกับมันได้นะเอามันมาใช้ประโยชน์ได้คนที่เขาเก่งจริงเนี่ยเขาต้องมีความสามารถเขาตัวเองในตัวแรับสิ่งใหม่เข้ามาจับมาจัดการได้นะไม่ใช่ไปรับตามเขาเรียนตามแบบเขาต้องรับมาจัดการเอามาจัดการนะไม่ใช่ไปตามเขานะนี่เรามีความสามารถที่ไหมที่จะเอามาจัดการ อ้าวเดี๋ยวจะมาพูดนอกเรื <ounce S 2> so <if> ่องใจเนี่ยเลยเรื่อยเรื่อย่ระเด็นเรื่องของการต้านสังรมบแห่งความสมานฉันดหลองรวมหรือว่าความดีดีด้านดิจิตอะสื่วันี้นคะเครื่องมือวัสําสาคัญที่จะสามารถนำมาใช้ได้แม้ว่าจะเป็นหลักเพื่อแก้ทแต่ก็ยังเป็นเช่นตัวอย่ง่าง ได้จะนำมาใช้แล้มีหลักิเริ่มอคือหลักการนียกสัตว์สีสส่นี้เป็นหลักใหญ่หมายว่าเาครอบคลุมเลยถ้าใช้ก็เรียกว่าเป็นระบบอ่เป็นระบบที่ทำให้ตั้งแล้วเราเห็นว่ามีองค์ประกอบอะไรที่จะต้องมาประสานมาสัมพันธ์กันมาทำหน้าที่ต่อเนื่องกันอย่างไรแล้วก็มาเป็นกระบวนการในการปฏิบัติว่าเนินไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรนี่ในเมื่อมาเป็นตัวระบบใหญ่เนี่ย เราก็ต้องรู้ก่อนแต่ว่าไม่พอเราจะต้องไปขยายในแม่ของปฏิบัติการหรือท่านวิธีการให้ละเอียดกว่ไปทีนี้วิธีการนริษัทหรือระบบบริษัทเนี่ย <c oughs> เป็นระบบที่ว่าเริ่มจากปัญหา <c oughs> ปัญหาท่านภาษาภาษาทายว่าทุกข์ทุกข์ <c oughs> แล้วความ บ, บีดขั้นสิ่งที่ติดขัดติดขัดบีดขั้น ขับค่องเรียกว่าทุกเนี <Yeah. S 1> ่ยในภาษาไทยก็คือปัญหานั่นเองทุกพอเราเจอปัญหาหรือทุกข์ขึ้นมาเราก็หาทางแก้ไขการแก้ไขท่านก็นบอกว่าต้องสืบสาหเหตุปัจจัยทั้มดว่าไอ้เจ้าทุกหรือปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรข้อ น, นี้เรียกว่าสมุ ท, ทยัยนี่พอเราสืบหาเหตุปัจจัยได้เราก็จะมองเห็นในตัวไปพร้อมกันว่าอ๋อทางแก้มันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราได้แต่เห็นในเชิงของ ความเป็นจริงแต่ในเชิงปฏิบัติการอย่างฉะนั้นเราก็ต้องมาดําเนินการเพื่อให้เกิดผลให้ชางปฏิบัตินี้เพื่อให้การมองเห็นความเป็นจริงในการแก้ปัญหาเนี่ยมาสู่การปฏิบัติเราก็มาสู่คั้นที่สามขั้นที่สามก็คือมิรอจุดหมายจุดหมายคือความปลอดปัญหาคนปัญหาดับปัญหาได้ แกป้ปัญหาแก้ทุกได้นี่เป็นจุดหมายเราก็ต้องดูว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วเป็นไปได้แค่ไหนจุดหมายของเราในการดับทุกนี้ขณะ น, นี้เราควรจะตั้งไว้แค่ใดนะล้วก็มองดูอะไรต่างๆให้ชัดว่าเราต้องการแค่ไหนเราจะเอาได้แค่ไหนเป็นไปได้แค่ไหนคือเอาความต้องการมาดูกับความ เ, เป็นไปได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายขึ้นมาเราตั้งเป้าหมายนี่ว่านี่โรดนะพอตั้งนิโรดแล้ว ต่อไปนั้นก็มาสู่การวางข้อปฏิบัติอันี้พอวางสุดหมายได้ตามเป้าหมายชัดเราก็จะมีทิศทางก็วางวิธีปฏิบัติขั้นที่สี่เรียกว่ามักมักก็คือวิธีการหนทางในวิธีปฏิบัตินี้ก็จะเป็นเรื่องของมนุษย์แหละสองข้อต้อนเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องความเป็นจริงของมันของมันเองเนี่ย พอขั้นที่สามนี่มันจะมาเชื่อมต่อระหว่างจุดประสงค์ของมนุษย์กับความเป็นจริงของธรรมชาติว่าจุดหมายของเราเนี่ยคืออย่างนี้เราต้องการนี้มันเป็นไปได้ในความเป็นจริงแค่ไหนเนี่ยตั้งกันไว้ต่อจากนั้นก็วางมักวิธีปฏิบัติก็จะทำให้เรามุ่งเป้าหมายทำอย่างมีทิศทาง อันนี้ก็วางระบบวิธีปฏิบัติข affairs, ึ้นมาหรือว่ามักก็ตอนนี้เป็นรายละเอียดยืนเลยเนี่ยเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นอย่างเรื่องว่าไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ก็เป็นทุกข์คือปัญหาทีนี้ไฟไหม้เป็นทุกข์เป็นปัญหาก็จะดับทําไงก็ต้องรู้ว่าไอเหตุของไฟมีอะไรบ้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟเช่นว่ามีเชื้อ มีอุณหภูมิสูงพอแล้วก็มีออกซิเจนน่เป็นต้นนะเราได้เหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วเราก็รู้เลยว่าอ้ถ้าเหตุปัจจัยนี้หมดไปปั๊บเนี่ยไฟดับเชื่อหมดหนึ่งหรือออกซิเจนไม่มีหนึ่งหรืออุณหภูมิต่ําเย็นลงไปแค่เนี้ยไฟดับแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยเลยว่านี่นี่คือสมุดถายได้แล้วรู้กระ บ, บวนการขั้นธรรมชาติแล้ว ข้อสองมาแล้วต่อไปข้อสามก็แปลว่าตั้งสุดหมายเลยตอนนี้ว่าเราจะดับไฟโดยทำอุณภูมิให้ต่ำนี้ถ้าตั้งสุดหมายตอนนี้มันจะสัมพันธ์กับความเป็นจริงและวิสัยของเราที่ทำได้เราจะเอาข้อไหนจะเอาข้อไม่มีออกซิเจนหรือว่าจะให้อุณภูมิต่ำ หรือจะให้มมนมีเชื่อหรือเอาทั้งสามหรือเอาข้อไหนเด่นนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายจะทำให้เกิดความเป็นจริงผล น, นนี้ขึ้นมาพอวางเป้า อ, อันนี้เสร็จแล้วทีนี้วางวิธีปฏิบัติเอาแล้วทีนี้เรื่องใหญ่เลยสร้างรถดับเพลิงเก็ <c oughs> บน้ำได้ตอนนั้นท่าเท่านั้น น, นิดอะไรนี้นะล้วก็ต้องมีท่อเราต้องสึก พวกพนักงา น, านาดับไฟเป็นเรื่องใหญ่มากมักในเรื่องโตมากนีต้องจัดกระบวนการวิธีการอะไรต่างรายละเอียดเยอะแยะแล้วเกินเนี่ยทั้งหมดไม่เป็นเรื่องของวัดเพียงแค่แค่ว่าจะมาทําให้เย็นเท่านั้นเองแค่แค่จะทําให้มันเย็นเท่านั้นเองแม่ยุ่งจังเลยใช่ไอมต้องไปมีงบประมาณต้องเป็นหลายล้านอาจจะเป็นร้อยล้านถันล้าน เพียงเพื่อจะมาทําให้อุณหภูมิต่ําลงให้มันเย็นเท่า น, นั้นเองหรือว่าเพียงเพื่อให้มันขาดออกซิเจนหรือเพื่อจะให้มันไม่มีเชื้ออะไรเงี้ยนะแต่ว่าที่เขาทาําเลยว่าเขาจะไปมุ่งที่เย็นใช่ไหมเนี่ยแค่จะทําให้เย็นเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเพแล้วในกระบวนการนี้ก็เลยฝึกเพิ่มว่าในระหว่างที่ไปทําให้เย็นเนี่ยไปเจอไอ้พวกเชื้อก็ต้องทํำลายด้วยเนี่ยไม่เชื้อมัน อาแด่ใสแล้วก็จะพัฒนาเช่นอย่างไอพวกน้ำยาดับไฟเพื่อจะมาทําให้ไม่เนียวขี้เกน็ดหรืออะไรพวกนี้เรื่อยอันนี้ก็คือมรรคเนะี่ยข้อมรรคเนี่เป็นเรื่องกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติถ้ามนุษย์ปฏิบัติไม่สอดคล้องความเป็นจริงก็ไม่สําเร็จใช่ไันนั้นก็มรรคก็คือการโยงวิธีปฏิบัติของมนุษย์ให้ได้ผลตามกระบวนการเหตุการณ์ธรรมชาติ ถ้าในผลสาเร็จก็บรรลุผลก็ถือวิโรธมาเนี่ยอันนี้ก็ถือหลักใหญ่นี้อันนี้มันจะใช้มาได้ในเรื่องของทุกยื่เรื่องเลยเช่นอย่างอะไรเขาเรียกว่าปลูกระ ด, ดมการปลูกระ ด, ดมก็ต้องใช้วิธีอริยศาสตร์เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าจําพิเจตนาดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องต้นเน่ยจะต้องคืออารยศาสตร์เนีใช้หนึ่งในการแก้ปัญหาสองในการสอน เวลาพระพเจ้าสอนก็จะสอนแบบปฏิยศาสตร์ด้วยนะเริ่มที่ทุกข์มาปัญหาขึ้นมาแล้วให้เขาสึกหาสาเหตุช่วยเขาให้เขาคิดหาสาเหตุแล้วก็กําหนดจุดหมายแล้วก็วางวิธีปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทีนี้าการสอนวิธีอฏิยศาสตร์ก็มาใช้ในการปลูกกระดมการปลูกกระดมก็ต้องชี้ปัญหาก่อนจะบอกโอ้ยท้งคนไทยเวลานี้เลอะเทอะเลวร้ายอย่างงี้นอย่างที่คนยากจนอูย พนานาให้มันน่าเสียดหน้าช่างที่สุดเลยใช่ไหมใครทําได้เก่งนี่คือพนานาทุกข้อที่หนึ่งพอคนเห็นทุกหน้าเสียดหน้าช่างเต็มที่แล้วเนี่ยสนใจเต็มที่เลยสนใจทีนี้ก็ชี้เหตุใครข้อสองชี้เหตุไอ้เจ้าหน้านเป็นตัวการเนี่ยนะเนะนะนี่ยที่มันยุ่งอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันร้ายอย่างเงี้ยเพอาะเจ้านี่นะหรือพวกนี้นะมันเป็นตัวการเนี่ยแต่ตัวเหตุโอ้ยตอนนี้คน เพ่งเลยจะต้องจัดการกำจัดพวกนี้ให้หมดใช่ไหมนะ่าอาแล้วทีนี้ทีนี้บอกเป้าหมายที่หวังบอกว่าโอ้นี่ถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาได้เราจะมีสังคมที่เป็นสังคมที่สดใสมีความ ส, สมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างแต่กอนนี่สมัยเขาปลูกกระดมเขาใช้คําว่าอะไรท้องฟ้าสีทองผองอับไปใช่ไหมฮะนี่นีโอตอนนั้นนี่ก็คือตั้งจุดหมายนี่คือตั้งนิโรธแหละ นะทีนี้ไอ้จุดหมายเนี่ยยิ่งหน้าไปเท่าไรเนี่ยคนก็ยิ่งมีกำลังใจตอนนี้ก็จะต้องปลุกปั่นว่าโอ้โหนิโรธจุดหมายนี่มันดียังไงสังคมในอุดมคติแสนจะดีเหลือเกินคนก็อยากไปกันใหญ่เลยจะเนียนะนี่พอได้แล้วนี่ตอนนี้ใจมันขึ้นหมดแล้วเนี่ยมารู้จุดที่จะจัด ก, ดการหมดแล้ววางวิธีเลยมักจัดการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตอนนี้ไปเลยยากเท่าไรเอาหมดเลยใช่ ไ, มไม้มเลยว นี่คือรียกตัดใช้ได้หมดแม้แต่วิธีปูกกระดมนี่รัฐาบาลก็เหมือนกันรัฐบาลในท่าหากว่าเก่งก็ต้องเอาเนวิธีอรียตัดมดาใช้นะเช่นรวมใจประชาชนเวลานี้ปัญหากำประเทศชาติสําคัญคืออะไรแต่ว่าทําำในใจสุจริตนะไม่ได้คิดแกล้งใครนะนะก็ชี้ปัญหาให้ชัดนะแล้วก็ชี้สาเหตุปัจจัย แล้วตั้งจุดหมายให้ชัดแล้วเห็นว่าจุดหมายนี้ดียังไงเป็นที่น่าหวังยังไงแล้วบอกวิธีปฏิบัติตอนนี้ยากเท่าไหร่สู้หมดเลยแล้วคนเนี่ยถ้าเห็นว่าจุดหมายเนี่ยมันดีจริงแล้วเขาเห็นความหวังชัดนี่เขาสู้เหมือนกับพระพเจ้าสอนในยศาสตร์เนี่ยต้องให้พระเนี่ยหรือคนที่ฟังเนี่ยชัดก่อนเพราะเขาชัดว่ามันดียังไงแล้วทีนี้ละมันยากเทา่าไหร่กขาสู้แต่ถ้าไปบอกวิธีปฏิบัติก่อนแนละ้วมันยาก ถอยแต่ต้นแล้วไม่เห็นได้เลยไปเลยใช่ไหมเลวดังนั้นถ้าจริงไม่ให้สอนแบบว่าอยู่ๆก็ไปบอกวิธีการวิธีการมัญญากนี่จะทำโมเหนื่อยแล้วใครมันจะฟังแหละแค่ฟังเดี๋ยวก็ท้อถอยแล้วต้องเนี่ยเห็นทุกหมู่ไทยนี้โลดพอมันชัดตับคราวนี้แล้วก็เท่าไรเท่ากันเลย เพราะนั้นพระพุทธเจ้าวางวิธีว่า น, นี่ใช้ได้ทั้งแก้ปัญหาทั้งวิธีสอนนะี่ก็เลยวิธีอนี้สัตว์ไม่ใช้ได้สองอย่างคือหนึ่งในการกระบวนาการแก้ปัญหาและสองก็คือการสอนสอนก็ต้องใช้วิธี น, นี้ก็เราก็หาทางมาทําให้คนนี่เป็นนิเป็น้ไม่ใช่ปณนนิเป็นนอมเพราเราต้องการให้พ้นปณนนิเนนอมไปสู่ความประสานกลมกลืนอันนี้ก็คือความสามารถคีนั่นเอง ความก้มเกลืนประสานท่านเรียกว่าสามาัคคีแล้วในความสามาัคคีก็จะมีเอกภาพเพราะนั้นในพุทธศาสนาจะใช้ตับเดียวกันก็คือสังหะแปลว่าประมวลจับรวมกันไดน้แล้วก็สามาัคคีมีความพร้อมเพียนกันแล้วก็เอกีภาพพระไตใช้ยว่าเอกภาพก็คือเกิดความเป็นหนึ่ง พอเกิดความเป็นหนึ่งรวมทั้งน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยเช่นว่าแม้แต่มีจุดหมายอนเดียวกันร่วมกันมันก็เกิดพลังไปได้เลยนี้เวลานี้ของเราเนี่ยยังขาดททุกอย่างเนีเพราะนั้นะเราจะต้องมาเป็นยุค ข, ของการสร้างสรรค์จึงได้ต้องระ ด, ดมพลังเนะีสร้างเรี่ยวแรงกําลังขึ้นมาแล้วก็มีความสามัคคีและมาร่วมใจกันแต่ว่าไ อ, ขอ้ข้อสำคัญก็คือเนี่ยเจตนาที่ว่า จะต้องมีเจตนามีเป้าหมายมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติของประชาชนด้วยชีวิตและสังคมได้ซื่อสัตย์จริงใจและได้ความจริงใจเนี่ยสําคัญว่าเวลาไปพูดจากันขัดแย้งกันเนี่ยมันต้องมีอันหนึ่งคือความจริงใจแล้วก็เปิดใจกันต่อไปนี้โลกนี้จะมีปัญหามากเรือความขัดแยง้งและเรื่องหนึ่งที่ใหญ่มากคือความขัดแยง้งทางศาสนา แม้แต่สงครามอิรักกับอเมริกันเนี่ยมันไม่หนีเรื่องศาสนาศาสนานั้นโดยพื้นฐานต้องเป็นเครื่องมือที่จะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยสงบสุขสันติสุดใช่ไหมนี่โดยหลักการใหญ่แต่ว่าไปๆมาๆศาสนากลับเป็นตัวเหตุอ้างอิงสำหรับการลบหลับาฐานกันก็ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้อันที่หนึ่งคือไม่มีความจริงใจตกัน สองไม่เปิดใจกันเนี่ยเขาไม่สามารถพูดกันนั้นเนี่ยเพราะพูดกระทบไม่ได้เลยศาสนาอีกศาสนาหนึ่งถ้าคนจะอยู่ร่วมกันได้ดีต้องพูดเปิดใจกันถ้าไม่ถึงจุดนี้ไม่มีทางการที่จะโมมาเอาใจกันนั้นมันไม่จริงใจใช่ไหมเมื่อคนอยากเอาใจเนี่ยจริงใจไหมไม่จริงใจฉะนั้นจะถึงจุดจริงใจต้องเปิดใจเอเปิดใจกันพูดกันม่เต็มที่ ฉะนั้นเวลานี้เขากำลังจะแก้ปัญหาศาสนาในวิธีที่เอาใจแต่ไม่เปิดใจไม่ยอมพูดความจริงมันจะไปยังไงรอดเรอฉะนั้นคนมันก็ไม่พัฒนาเท่าที่ควรถ้ายังไม่สามารถพูดกันได้ยางเปิดใจใช่ไเนี่ยเวลานี้โลกมันก็เลยเป็นปัญหากันอย่างหนักเลยเนี่ยอันนี้ปัญหาอย่างนี้ก็กลายไปว่ามนุษย์มีอารยธรรมเจริญ ม, มาเท่าไหร่ก็ <S <S ไม่ดีขึ้น ปัญหาพื้นฐานม น, มนุษย์มนุษย์เนีอรารยธรรมเจริญ ม, มา็นป่านเนี้ยไม่ได้แก้สักอย่างปัญหามนุษย์มีอะไรบ้างหนึ่งปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตแยกเันสองส่วนปัญหาร่างกายสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บโดนทั้งการหิวโหยอะไรอุดยานแล้วก็ปัญหาจิตใจความเครียดความทุกข์ความเหงาความว้าเหวความแปลกแยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่สองมันนี้กายกับใจก็เป็นปัญหาชีวิต แล้วสองปัญหาสังคมก็คือความขัดแย้งในระหว่างมนุษย์ตั้งแต่การทะเลาะบอกแวงกลายเป็นระดับถึงสงครามระหว่างประเทศสงครามในโลกสงครามระหว่างค่ายระหว่างฝ่ายระหว่างศาสนาอะไรเนี่ยแล้วก็สามก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเสื่อมโทรมขึ้นเป็นปัญหาสุดท้ายแล้วเป็นปัญหาที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเนี่อริยธรรมจะเลยขึ้นมาปัญหาไม่ได้แก้ขึ้นอย่างนะฮะปัญหาชีวิต มนุษย์ก็ยังอยู่อย่างเดิมปัญหาจิตใจยี่งหนักขึ้นไปแล้วปัญหาสังคมก็ไม่ลดลงไปและยังแขงปัญหาสิ่งแวดล้อมอารยธรรมปัจจุบนันแนะนํามาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะนั้นจึงพูดได้เต็มปากว่าอารยธรรมปัจจุบันที่จเจริญมาเนี่ยคืออารยธรรมที่ได้นําปัญหามาให้แก่นมนุษย์เป็นครบทั้งสารประการเนียเป็นอารยธรรมที่เก่งกาจมาก สามารถนําปัญหาหมาให้กัมนุษย์ได้ถึงทบสามประการเลยเดี๋ยวนี้มนุษย์มีทั้งปัญหาชีวิตทั้งกายใจปัญหาทั้งคมปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วปรากฏว่าแก้ไปได้สักอย่างนํามาให้ได้แต่แก้ไปได้สักอย่างใครจะมาแก้ปัญหานี้นี่เลถ้าเรามองในแง่เราเราก็บอกธรรมะเนี่ยธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่เลยแก้ได้หมดเรามั่นใจว่าทําได้เนี่ย และระบบกรณีกันนอนจะเปลี่ยนเป็นระบบฮาร์โมนีหรือภาษาลกลมกลืนได้หรือระบบสามภาคเอกภาพเอกีภาพกันแล้วแต่เน่ก็อย่างที่ว่านี่ก็คือในเวลานี้ปัญหามากก็อาจจะต้องฝากถึงแม้แต่รัฐบาลว่าแม้แต่ในคอรมอร์ต้องพูดกันยังสดใจ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีความจริงใจเปบพืน้นฐานโดยมีเจตนาที่มุ่งจุดหมายที่แท้จุดหมายร่วมกันก็คือ ความดีงามสันติสุขของประเทศชาติบ้านเมืองและโลกทั้งหมดถ้ามีเจตนา น, นี้อยู่ได้มีความจริงใจต่อกันจริงใจต่อหลักการด้วยและจริงใจต่อประเทศชาติสังคมและจริงใจต่อการระหว่างคนที่มาทํา ง, งานร่วมกันแล้วก็โปรดใจกันนะมันก็มีฐานที่จะแก้ปัญหาแล้วไอ้ฮาร์มนีก็เกิดได้แต่ถ้าหากว่าไม่โปรดรใจก็ฮาร์มอนีก็เป็นมาไม่ได้ เราก็จะได้แค่คอบตรไม้เพราะเอาใจกันก็คอบตรไม์นั <t Act> ่นแหละส่วนหนึ่งยังมีแง่อะไรไหเหลือหนูปิ่นก็ถามได้เธอของรุ่นหนูปิดนเนี่ยจะมีปัญหาที่พวกผู้ใหญ่มองไม่เห็นด้วยคุณเจ้าคะแต่ที่คุณก้าได้กล่าวว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบภาษาสมัยนด้เราต้องมีความจริงใจแล้วก็เปิดใจรับการสอน แต่ถ้าเกิดว่าเราจริงใจแล้วแล้วคิ่มไม่จริงใจละก็เราก็ต้องค่อยๆพูกระจาบอกฉันจริงใจแล้วนะแต่คุณจริงใจจะฉันหรือเปล่าเนงะี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ทันอนะคือหมายความว่าเราหนึ่งละจากความรับผิดชอบแต่ละคนเนี่ยจะเรียกทำต้องเริ่มต้นจากตัวเองเราจะต้องมีความรับผิดชอบตั้งขึ้นมาก่อนในเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเรามีความจริงใจ แต่เราต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่ว่ากลายเป็นคนที่โง่เงาเต่าสุ่นได้แต่มีเมตตาปราถนาดีก็กลายเป็นเหยื่อเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าไม่ให้มีเมตตาอย่างเดียวหรอกต้องมีปัญญาด้วยวันนี้ก็เลยพูดถึงวัฒนธรรมแห่งเมตตากับวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญานี้ถ้าเราจริงใจเราจริงใจแล้ว เราก็ต้องรู้ทันด้วยปัญญาว่าเขาจริงใจหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ตอนนี้แต่ว่าเป้าหมายคือเราต้องพยายามให้เขาจริงใจด้วยและอันนี้ก็คือกระบวนการอย่างที่คุณจุฬารัตน์กำลังพูดอยู่นี้ก็คือการหาวิธีแก้ปัญหาปัจจุบันที่มันจะมีเช่นความไม่จริงใจอะไรไม่เปิดใจทั้งหลายทั้งมวลอะไรเรากำลังหาทางแก้กันอยู่คือเราก็จะต้องมาดาเนินวิธีการเหล่านี้ต่อไปแต่ว่า หมายความว่าเรามั่นใจตัวเองว่าเราจริจงใจเพราะเราจะเริ่มต้นแล้วนหมายความว่าตอนนี้มีจุดเริ่มแล้วถ้าเรามีความจริงใจและเปิดใจเราเป็นผู้เริ่มต้นแล้วแต่ว่าจะเดินหน้าไปได้แค่ไหนก็ต้องมีผู้มาประสานร่วมมือด้วยมีคนอื่นที่จะจริงใจเปิดใจจะมีแค่ไหนก็ต้องเป็นขั้นตอนต้องทำด้วยปัญญาแลา้วจึงคือไอ้ตัวเมตตาเนี่ยเป็นตัวเจตนาตั้งจิตสานารดี แต่ตัวจะดำเนินการให้สาเร็จต้องปัญญาเนาะมีแต่เมตตาดําเนินการไม่สำเร็จนะเชื่อไหมนะให้ตัวดําเนินการให้สำเร็จจะแก้ปัญหาก็คือปัญญาหลาคนไม่มีปัญญาก็ทําอะไรไม่สาเร็จนะพระพุทธเจ้าจึงเน้นเงปัญญามีเมตตาเป็นธรรมทั้นพรมนะแต่มีปัญญาเป็นปัญญาพระพุทธเจ้านะใช่ไหมเนะีนะ่ยแต่ถ้าเรามีพรมิหารสี่เราเป็นได้อย่างสูงสุดพักลม เนีเมตตาเนี่ยไปถึงพรหมเลยแต่ว่าไปเป็นพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้นะฮะพระพุทธเจ้าจะสมเหตุได้ปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่สูงสุดจนกระทั่งว่ทาทำให้มีเมตตากรุณาอะไรมาพร้อมหมดถ้าปัญญาเป็นตัวนําปัญญาจะเป็นตัวนํำขบวนนะแล้วจะเป็นชี้ทางบอกทางคือถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราเหมือนจะไม่มีแสงสว่างเราก็มองไม่เห็นอะไร จะตายทิศไหนตายไม่ถูกไม่มีเข็มทิศไม่รู้ทิศรู้ทางปัญญาเนี่ยมันจะส่องสว่าแล้วมันจะขยายช่องทางเราเคยรู้เท่านี้เราทําได้เท่านี้พอ ป, ปัญญามามันเบกขยายออกไปอีกเนะี่ยเราทํำะไระดับในซับตอนพอมีปัญญาทําำดนสักตอนอีกในตอนระหว่างพัฒนาปัญญาให้ปัญญาถ้าเกิดไปสนองเจตนาไม่ดีทําอะไรซับตอนในทางไม่ดีเลยใช่ไหม อันก็คนที่มีปัญญาเจตนาไม่ดีจึงทําการได้สําเร็จแต่ว่าเป็นความเสียหายเรื่องโลกและก็เลยท่านต้องให้หมาทั้งคู่เจตนาดีประกอบด้วยเมตตามีความจริงใจปรารถนาดีต่อทุกคนต่อประเทศชาติสังคมแล้วก็มีปัญญามาเป็นตัวดำเนินกน้เป็นกุดชี้ทางเบิกทางขยายขอบเขตเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเป็นอิสระแก้ไขปัญหาให้หลุดพ้น กร็อย่ากจะขอให้คำสุดท้ายของทุกขุนราชทุกอย่ามาในส่วนของการแก้ปัญหาทั้งหมดในเวลานี้เนี่ยก็คงใช้หลักใบหลักหนึ่งได้ต้องใช้ทุกดหลักที่เจ้าได้แล้วก็คิดถูกตลาดแล้วก็ตได้คือมันจะมีหลักใหญ่หลักใหญ่ที่เป็นระบบรวมแล้วจากระบบใหญ่นั้นก็ไปแจกแจงแยกแยะย่อยขยายองไปอีกที แตว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องมองเห็นตัวระบบเพราะฉะนั้นหลักใหญ่จป็นสำคัญไม่ใช่ไปอยู่ๆไปจับมาหลักเลี้ยอยแล้วก็มองไม่เห็นตําแหน่งแห่งที่ของมันไม่เห็นความสัมพันธ์ไอ้ที่มันเป็นปัญหาที่ผ่านมาของยุคที่แล้วมาที่เขาเรียกว่ายุคแยกส่วนก็เพราะว่ามันมองไม่เห็นความสัมพันธ์ในระบบเขาก็เลยมาเน้นว่าต้องให้มององ์รวม ในระบบองค์รวมก็ต้องคิดเป็นระบบ เ, เพราะฉะนั้นเขาจะเน้น a s s i s t e m Thinking ของนั้นนะ a s s s t e d Thinking นี้นก็มาช่วยในการมองเป็นระบบ เ, เมื่อมองเป็นระบบก็คือหลักความสัมพันธ์นั่นเองทางพุทธจตนาเรียกว่าระบบความสัมพันธ์ไม่ใช่เรียกระบบเฉยเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆมันจะมาเป็นองค์รวมขึ้นมาเฉยๆไม่ได้แล้วมันจะเป็นการประสาร ดารงอยู่ได้ดีจะเกิดสมดุลไม่ได้ถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเพราะนั้นถ้าติดเน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกต้องก็หมายความว่ามันมีองค์รวมใหญ่ถึงจะเรียกระบบก็ได้แต่ว่าโระบบเนี้แหละเป็นระบบขององค์รวมนี้นในระบบขององค์รวมนี้ก็คือมีองค์ร่วมทั้งหลายองค์รวมทั้งหลายก็เป็นส่วนย่อยที่มาสัมพันธ์สรู้กันความสัมผันธ์ระหว่างองค์ย่อยถ้าสัมพันธ์ดีส่งทอดตอ่อกัน เชื่อหนุนกันมันก็เป็นองค์รวมที่ดีนี่ยฉะนั้นก็เลยตอนเนี้ยเราได้ความคิดคือมองอย่างที่เขาเรียกว่าองค์รวมต้องให้องค์รวมนี้โยงไปหาองค์รวมแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ร่วมในระบบที่จะเกิดเป็นองค์รวมขึ้นถ้ามองได้สําเร็จก็การคิดอะไรต่างๆก็สําเร็จแม้แต่การคิดแบบอนิจจสัต ก็อยู่ในระบบองค์รวมที่ว่านี้ก็คือพระพุทธเจ้าเอาระบบองค์รวมนี้ไปแตกองค์รวมที่ประสานากันเมตตตั้งเป็นหลักขึ้นมาอ่าว่าให้เป็นหลักการในการแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่งนี้นั้นเราต้องจับไอ้ตัวหลักใหญ่ให้ได้ก่อนพอจับหลักใหญ่ให้ได้แล้วก็ไปสู่ข้อปิดย่อยพอเราได้อันนี้แล้วเนี่ยธรรมะที่เราเคยเรียนมาทั้งหลาย จะเป็นอิทธิบาทสีเป็นโปรดชงเจ็ดเป็นขันธ์หเป็นอะไรจะไรเรารู้หมดเลยว่าตําแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนสําพานธ์กันอย่างไรมองออกแต่เมื่อกันเราก็มองกระจายกระจายแล้วประสิทธิประต่อไม่ได้ไม่เห็นตําแหน่งแห่งที่ไม่รู้มาทําหน้าที่อย่างไงมันมารวมเข้าด้วยกันยังไงมันจึงเป็นระบบทั้งหมดหรือว่าเป็นองค์รวมทั้งนี้ทั้งหมดมันสิ้นเนี่ยเรื่องน่งนัก็แปลว่าระบบใหญ่ก็สําคัญเพรว่าระบบอายาศาสต์ก็แปลว่าต้องตั้งไว้ก่อนเป็นตัวหลักการใหญ่ แล้วก็ไปแตกขยายเป็นหน่วยย่อยต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าโดยทั้งหมดนี้ก็คือการที่เรามีเจตนาดีเจตนาเพื่อว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาของทั้งคองประเทศชาติแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ให้มีความเจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จในการนี้ก็อย่ามองแต่ตัวอย่างเดียวก็ต้องมองให้รู้เท่าทันโลกทั้งหมดเยเนะ่ยเพราะว่า เราไม่สามารถอยู่คนเดียวแล้วก็สิ่งที่มาจากภายนอกโดยเฉพาะว่าจากให้องค์ประกอบใหญ่ๆของโลกเช่นประเทศมนหนาอำนาจเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวแล้วมีผลกระทบต่อเรามากงนเราจะต้องรู้ทันงั้นการรู้ทันความเป็นไปของโลกแล้วรู้ทันความคิดจิตใจของเขาเนี่ยสำคัญแต่อนนี้รู้แต่วัตถุเช่นรู้ว่าอเมริกามีความเจริญ อ, อย่างนี้มีรถยนต์มีเครื่องบินมีอะไร ต่างๆมียาณอวกาศหรืออะไรต่างๆแบบนี้แต่ว่าความคิดของเขานี่เราทำลึกอยถ้าเราจะเข้าใจมีการก็ต้องเข้าใจถึงความคิดของเขาแล้วกันลึกลงไปก็คือเข้าใจสภาพจิตเจตจำนงที่ฝังอยู่ในใจลักษณะในิสัยอะไรต่ า, าที่รวมกันเข้าเป็นอเมริกาแ <c> ล <oughs> ้วต้องเข้าใจให้ชัดนั่นแหละก็จะได้องค์รูปที่เป็นองค์รูวิีอันหนึ่งนะแล้วก็จะมารวมกันเข้าเป็นโลกนี้ ซึ่งเมื่อมันมีผลกระทบต่อประเทศไทยเราเนี่ยเราจะรับมือกับเขาอย่างไรนี่แล้วแต่ว่าเรามีอันหนึ่งก็คือแน่ใจว่าเรามีเจตนาดีเพื่อสร้างส์อันดิสุขของโลกแก้ปัญหาตั้งแต่ชีวิตสังคมประเทศชาติทั้งหมดเลยเจตนาดีเนี่ยตั้งรักษาไว้เป็นแกนแล้ว เราก็ไปเอาให้ตัวปัญญานี้มากแก้ปัญหานะเจตนาเราดีแล้วเราพัฒนาปัญญามันก็จะไปสู่การแก้ปัญหาได้แล้วเราก็จะไปหวังคือเราก็มองตามความเป็นจริงอะ่ะเราก็ไม่ไปเร่งผลเลิ่อยเกินไปว่าโลกนี้เขาจะหวังสันติภาคจริงหรือเปล่าเข้าใจไหมแนวะพวกที่พอที่แก้ปัญหาโลกอะไรตัวอะไรมีความจริงใจกันแค่ไหนเราต้องเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาทั้งสิ้นแต่เราตั้งใจเจตนาของเราให้ดีไว้ก่อน แล้วเราก็พัฒนาปัญญาความรู้เป็นต้นไปนี่มันก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาน้าตมาก็ข อ, อนุมโมธทนาในประการที่อหนึ่งก็งคือการมีเจตนาที่ดีมีจุดมุ่งหมายที่เป็นกุศลเป็นความดีงามแลย้ยตอบวันี้ก็ขอให้เราเนี่ยได้มามีความสามาัคคีความร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้องที่ได้ผลแล้วก็พัฒนา องค์ประกอบสําคัญต่าง ๆ, ๆเช่นปัญญาเป็นตัวนำเพื่อจะมาดําเนินการต่าง ๆ, ๆให้เป็นไปตามหลักการที่เรารู้เราเห็นแลาเข้าใจนี้เพื่อสนองเจตนาที่ไปสู่จุดหมายนั้นก็จะเกิดผลสําเร็จได้หวังว่าหลักการและวิธีการนี้เมื่อเราชัดแล้วจะสามารถทําให้เราเนี่ยบรรลุจุดหมายแห่งการแก้ปัญหาของชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและโลกและทําให้โลกนี้ ก้าวไปในอารยธรรมที่ถูกต้องแม้กระทั่งว่าปรับแก้อารยธรรมให้มันเป็นอารยธรรมที่แท้จริงที่จะเป็นอารยธรรมที่ยั่งยืนทาให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริงสุดไปก็ขอโมทนาอวยใจให้พรแก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งตอนในโอกาสปีใหม่ที่อวยใจให้พรไปแล้วก็ขอให้ได้เพิ่มกําลังจากที่เราพูดกันนี้เพื่อจะได้มีความสามารถที่จะแก้ปัญหายิ่งขึ้นไป จะพร้อมใจกับเดินหน้าต่อไปให้ปีใหม่สองพันยี่สิบหกนั้นได้ผลคืบหน้าไม่ได้ถอยปีสองพันยี่หกต้องก้าวหน้าไปในการทําสิ่งสร้างสารรค์ความดีงามและการแก้ปัญหาสังคมไทยจะต้องเดินหน้าเนี่ยแล้วก็จะได้ไปช่วยโลกเขาด้วยเพรอเวลานี้โลกประสบปัญหามากไม่มีไทยไปแก้ได้ประเทศไทยถ้าเกิงจริงจะต้องสามารถ แก้ปัญหาตัวแล้วไปร่วมแก้ปัญหาของโลกหรือนําโลกในการแก้ปัญหาด้วยถ้าอะไรไทยเก่งขนาดนั้นก็จะหน้าอนุโมทนาก็ขอจบทนจันีกันเลยสังคมของเราได้สะสมเหตุประจัยชาวขัดแย้งมานานฟินไหมเราสะสมเหตุประจัยชาวขัดแย้งขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องมาเริ่มกันใหมต่ต้องถือว่าเริ่มนะ เริ่มใหม่แล้วก็เริ่มนี้ก็เป็นการกู้จะเรียกว่ากู้วิตกจะได้แล้วก็รื้อฟื้นสิ่งที่ดีงามขึ้นมาแต่ทุกอย่างนะจะสำเร็จอันหนึ่งก็ต้องสองอันเจตนาต้องดีสองปัญญาต้องชัดต้องรู้ชัดทำอะไรได้ไม่รู้นี่เจตนาดีก็ไปไม่รอดใช่ไหมหนึ่งเป็นเหยื่อเขา นะคนมีเมตตาเจตนาดีแต่จะตายไปว่าถูกเขาหลอกนะ่ะนอกจากนั้นก็คือแต่ตัวเองมีแต่เจตนาดีแล้วก็ปัญญาไม่มีก็ผิดพลาดในรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเออแทนที่จะไปความจเจริญไป็นความเสื่อมไปความผิดพลาดเสียหายมากมายเกิดจากความรู้ไม่เท่าถึงการแตถ้าที่เจตนาดีเพราะนั้นก็ท่านต้องย้ําให้มีคู่เนี่ยเจตนาดี มีความจินใจมุ่งดีปรารถนาดีประกอบด้วยเมตตาเป็นต้นแล้วก็ปัญญามีความรู้เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างเหตุใจแจ่มชัดสองตัวนี้ต้องไปทั้งนั้นเนี่ยทุกกรณีเลยนี้พอเรามีสองตัวนี้แล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเพราะในระหว่างนี้เราเจอปัญหาเยอะแยะ ไอ้ปัญญามันจะเป็นตัวที่มาช่วยให้เราหาทางแก้ปัญหาไปได้ดีเจตนาก็เป็นเจษที่ทำให้เราไม่พลาดไปทางอื่นจากทางแก้ปัญหา